บทนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการพิจารณานามรูปหรือขันห้าตามพระไตรลักษณ์โดยที่กล่าวมาแล้วนั้นเมื่อบุคคลได้พิจารณาอย่างลงเห็นว่าสังขารทั้งหลายหรือนามรูปเป็นของไม่เที่ยง พ็เกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาในขณะที่ดำรงอยู่ก็เป็นการดำรงอยู่เพียงชั่วขณะเท่านั้นและมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งขัดแย้งกับภาวะที่เรียกว่าเที่ยงซึ่งทางพระพุทธศาสนาสรุปว่าเป็นอนิจจตาคือความถึงของไม่เที่ยง และนามรูปหรือสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ประเหตุว่าสังขารทุกชนิดเกิดขึ้นด้วยปัจจัยต่างๆเข้ามาประกอบปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อาจจะรักษาสภาพเดิมของตนไปได้ในขณะที่ดำรงอยู่ก็มีอาการเบียดเบียนมีอาการแผดเผาก่อให้เกิดความ ร, าร้าเรอนและจงกันข้า กับสภาพที่เรียกวัยสุขอย่างที่เข้าใจกันซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นทุกขตาคือความเป็นทุกข์แข่งสังขารทั้งหลายและพิจารณาเห็นว่าทำทั้งหลายคือจะเป็นสังขารหรือวิสังขารก็ตามไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเป็นของว่างเปล่า จากตัวตนเราเขาและเมื่อแยกย่อยออกไปแล้วก็หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอนัตตาคือความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งหลายอันที่จริงความรู้ความเห็นใ่ลักตามที่ท่านแสดงไว้นั้นก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้ว แต่เนื่องจากการใช้ปัญญากำหนดพินิจพิจารณาการห้าหรือนามรูปตามจิตัยลักนั้นยังมีขั้นตอนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจหลายชั้นด้วยกันซึ่งการพิจารณาในชั้นนี้ท่านเรียกว่าเป็นทิฏฐิวิสุทธ์คือความเห็นที่บริสุทธิ์ถูกต้องตามความเป็นจริง สังขารและธรรมทั้งหลายดังนั้นในที่บางแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ า, าจึงทรงแสดงสรุปในตอนนี้โดยไม่ชี้ประเด็นละเอียดลงไปว่า <aria. S 2> เมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นทุกข์เห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมนายในความทุกข์ คือสิ่งที่ประยุทธ์ไปถือกันว่าเป็นของเราบ้างเป็นเราบ้างหรือเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างและนี้คือทางแห่งความหมดจุดคือทางแห่งความบริสุทธิ์ได้แก่จิตที่ปราศจากความทิถือด้วยอำนาจตัหาว่าของเราด้วยอำนาจมานะว่าเป็นเราและด้วยอำนาจทิฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแต่เมื่อบุคคลได้ กำหนดพิจิพิจารณากว่าจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ดังที่กล่าวนั้นท่านยังสอนให้บุคคลกําหนดแยกแยะดูนามรูปทั้งหลายในชั้นของเหตุปัจจัยว่าที่พูดว่านามรูปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยจนท่านสรุปออกมาเป็นความทุกข์ที่กล่าวกันอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้เกิด นามาูปขึ้นมาซึ่งในข้อนี้ท่านชี้ให้ดูที่ตัวเหตุปัจจัยของนามาูปทั้งสองฝ่ายและโปรเข้าใจว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปคำว่ารูปคือสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยประสาทห้าคือเห็นด้วยตาได้ ย, ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิมด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายส่วนคำว่านามนั้นคือสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยใจบางครั้งบางคราวก็เรียกว่า ธรรมารมนี่เป็นการกำหนดอย่างยากเมื่อเจอกับนามรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็จะมินิชัยได้ว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปโดยเอาอายตนะที่สัมผัสสิ่งเหล่านั้นเข้าเป็นตัวกำหนดชี้ว่าอะไรเป็นอะไรปัจจัยของนามรูปนั้นปัจจัยของรูปท่านแสดงว่าได้แก่วิชาตัญหาอุปาทานกรรมและอาหาร ปัจจัยของนามก็คือวิชาตัณหาอุปาทานกรรมและผัสสะคือเปลี่ยนกันเฉพาะตอนปลายเท่านั้นเองปัจจัยหลักจริงๆ จ, ง จ, งจึงมีอยู่สองปัจจัยที่ท่านแยกออกไปเป็นอวิชาที่แปลว่าความไม่รู้ตัณหาคืออาการที่จิต ด, ดิ้นรนทะเยอทยานอยากเลอปาทานคืออาการที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในนามรูปเหล่านั้น การตามหลักความเป็นจริงแล้วก็คือกลุ่มของกิเลสทั้งมวลที่สรุปลงที่อวิชชาการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือการสร้างวิชาให้บังเกิดขึ้นในแต่ละจุดถ้าจะถามมาสร้างขึ้นทําไมก็เพื่อทําลายอาวิชชาในจุดนั้นๆจนถึงทําลายอาวิชชาได้หมดสิน้นก็เข้าถึงความเป็นผู้มีวิชาหรือมีญาณ ในช่วงนั้นเองจิตก็จะหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสทั้งหลายซึ่งในชั้นอน่อนๆท่านทั้งหลายอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าอะไรก็ตามที่เราเคยเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอยู่เคยเสพคุณเคยครุกคลีเคยอาจไม่สามารถที่จะละสิ่งเหล่านั้นได้แต่วันใดปัญญาบาังเกิดขึ้นพอที่จะวินิจฉัยแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นคุณเป็นโทษ ก็จะเลิกละสิ่งเหล่านั้นตลอดถึงการพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆว่าควรหรือไม่ควรเป็นต้นเช่นวัยที่เป็นเด็กสติปัญญายัางอ่อนอาจจะเล่นสนุกเล่นตุ๊ ก, กตาเป็นต้นแต่เมื่อโตขึ้นถึงแม้ว่าตุ๊กตาจะมีแต่ว่าปัญญาได้สูงขึ้นแล้วก็เลิกเล่นตุ๊กตาและไม่ปรารถนาที่จะเล่นต่อไปหรือแม้แต่คนที่เคยสูบบุรี เคยดื่มเหล้าหรือเคยเล่นการพนันเป็นต้นเมื่อประสบกับโทษของสิ่งเหล่านั้นอย่างรุนแรงเกิดปัญญาเห็นไปจากชัดซึ่งโทษของเหล้าของบุหรีเป็นต้นและตัดใจเลิกละจากสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ยอมขวนกลับมาสู่อำนาจของสิ่งเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าวันหลังจะไปพบกับบุหรีกับสุราหรือกับสิ่งเสพติดอย่างอื่นก็ตาม จ, จิตใจก็ไม่มีความกระแสนอยากปรารถนาที่จะหวนกลับไปสู่อํานาจข้งสิ่งเหล่านั้นนี่ก็เป็นอาการของวิชาอย่างอ่อนๆซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตแล้วก็ทําลายอาวิชาในจุดนั้นเมื่อทําลายาวิชาคือความไม่รู้เหตุผลลงไปได้ความรู้เหตุผลปรากฏขึ้นภายในจิตตัญหาความทยานอยากที่จะเล่นตุ๊ ก, กตาที่จะสู่บุรีที่จะดื่มเหล้าเป็นต้นก็หมดไป อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นโดยลักษณะต่างๆก็ถูกสลัดทิ้งออกไปจากจิตใจด้วยกรรมคือการกระทมการเสพเป็นต้นก็ไม่มีปัจจัยแห่งรูปในชุดนั้นก็ไม่มีดังนั้นเมื่อปฏิบัติไปโดยลำดับโดยอาศัยหลักอริยมรรคมีองค์แปดประการอย่างที่ทราบกันเวลาปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งแล้ว ว, วิชาก็จะบังเกิดขึ้นก็ทําลายวิชาส่วนนั้นไปเมื่อวิชาหมดตัณหาก็หมดตัณหาหมดอุปาทานก็หมดเมื่อตัณอวิชาตัณหาอุปาทานหมดกรรมก็หมดก็แสดงว่าปัจจัยแห่งรูปจึงมีอยู่เฉพาะอาหารที่บริบุคคลบริโภคเข้าไปในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือที่เรียกว่าเป็นวิบากขันเท่านั้น พ, อ, พอท่านเหล่านั้นนิพพานไปแล้วก็เป็นอันว่าจบสิ้นกันอย่างแท้จริงเรื่องของวิชาจึงเป็นเรื่องที่ควรแก่การทำความเข้าใจและศึกษาเอาไว้โดยปกติท่านจะจำแนกวิชาออกไปเป็นแปชนิดด้วยกันคือความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกความไม่รู้ในนิโรธคือความรับทุกข์ ความไม่รู้ในมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความทุกข์ข้อที่ห้าความไม่รู้ในส่วนที่เป็นอดีตความไม่รู้ในส่วนที่เป็นอนาคตความไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตและความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทซึ่งมองดูแล้วคล้ายๆกับว่าเป็นกลุ่มธรรมที่มา ก, กเกินแริจริงแล้วการปฏิบัติเพื่อทำลายอาวิชชาในส่วนนี้ คือทาความไม่รู้ให้กลายเป็นความรู้นั้นตัวการสำคัญจริงๆอยู่ที่อริยมรรคมีองค์8ปดระการดังที่เคยกล่าวมาแล้วโดยพิสดารเมื่อบุคคลปฏิบัติตามหลักของอริยมรรคมีองค์8ประการได้แล้วก็จะบังเกิดสิ่งที่เรียกว่ายา น, นังกล่าวขึ้นทาหน้าที่ดับมูลเหตุของความทุกข์ที่เรียกว่าสมุทัยออกไป ความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในรูปแบบต่างๆก็หมดสิน้นตัวความรู้ที่เกิดผุดขึ้นนั้นเองจะทำให้บุคคลรู้ทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตและทั้งปฏิจจสมุปบาทดังนั้นข้อปฏิบัติจึงเน้นหนักอยู่ที่หลักของอริยมรรคดังกล่าวความไม่รู้อริยสีในแบบหยาบๆนั้นจะเห็นได้ว่าเช่นไม่รู้ว่าทุกข์นั้นเป็นอะไร เวลาประสบ ป, ปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของตนก็ไปซ้ำเติมชีวิตร่างกายของตนซึ่งว่าที่จริงแล้วตัวรูปร่างกายนั้นเป็นปริญญาแต่ไปทำคือธรรมะที่ท่านสอนให้กาหนดรู้ไว้เท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไปแก้ตรงนั้นไม่ได้เพราะความทุกข์เป็นเพียงอาการของโรคเท่านั้นเองแต่เพราะความไม่รู้คนเป็นอันมากจึงหลงประทุษร้ายตัวเองโดยการดื่มยาพิษบ้าง บางครั้งก็ฆ่าตัวเองพร้อมทั้งครอบครัวให้ตายตกัยเป็นต้นนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นจัดของวิชาในส่วนนี้ดังนั้นก่อนที่จะเข้าถึงชั้นของญาณคือความรู้ระดับที่เป็นผลอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามอรมิยมักษบุคคลก็ต้องรู้ถึงสภาวะของทุกสัตย์ในแง่ที่เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ไว้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้น อย่างที่ทรงแสดงถึงกลุ่มของความทุกไว้ว่าซาตดความเกิดเป็นทุกข์เจราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ตลอดถึงความทุกข์ที่เป็นปกินอากะคือทุกจรเข้ามาทั้งหมดนั้นบุคคลก็จะเห็นได้ชัดว่าตัวความทุกข์ข้างหน้าสามประการนันเป็นตัวสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็ต และต้องตายการตายคือการแตกทาลายของเหตุปัจจัยซึ่งเคยเกาะกลุ่มเคยรวมกันอยู่ อ, อิงอาศัยซึ่งกันและกันส่วนความทุกข์ประเภทที่จรเข้ามานั้นไม่ว่าจะเป็นความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจหรือความกัปแค้นใจต่างตัวการจริงๆแล้วอยู่ที่ปัจจุบันในธรรมคือการที่จิตไปกำหนดหมายในสิ่งเหล่านั้น ด้วยอำนาจความใคร่เช่นกำหนดหมายว่าเป็นของเราอำนาจความใคร่ในสิ่งนั้นเมื่อต้องการให้ได้สิ่งนั้นมาไม่ได้ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือเมื่อได้มาแล้วสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็มีความเศร้าโศกเสียใจบางครั้งก็มีการคร่ำควรวญปริเวทนาการไปด้วยประการต่างๆแต่หากว่าบุคคลไม่ไปยึดหมายว่าเป็นของเราเป็นต้นแล้ว ความทุกข์ในลักษณะที่จรรเข้ามาก็จะไม่เกิดขึ้นยกตัวอย่างความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะการพระดพรากคือการล้มตายไปของเพียชนคนที่รัก แ, แสดงเห็นว่าที่บุคคลต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องคร่ำครวญด้วยประการต่างๆนั้นเพราะมีความรู้สึกว่า ญ, ญาติเราเพื่อนเราพ่อแม่เราพี่น้องเราได้ตายไปไม่ใช่เป็นการประรคความตายแต่เป็นการประรคคนที่ตาย ซึ่งใจไปผูกพันเอาไว้ด้วยอำนาจของกามกามกามกามุ ป, ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจความใคร่ว่าเป็นของเราเพราะว่ากันตามหลักความจริงแล้วคนก็ก็ตายกันมากมายในแต่ละวันคนนี้บพงดูตัวอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่นางวิสาขาซึ่งร้องไห้เสียใจในการที่หลานของท่านได้ตายไป พระพุทธเจ้ารับสั่งให้ท่านได้คิดว่าเธอต้องการจะมีหลานมากน้อยเท่าไรท่านบอกว่าต้องการจะให้มีลูกหลานเท่ากับคนในกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าในกรุงสาวัตถีคนตายกันวันละเท่าไรท่านตอบว่าวันละเจ็ดคนบ้างแปดคนบ้างเก้าคนบ้างพระพุทธเจ้ารับสั่งสรุปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเธอก็ต้องร้องไห้อยู่ทุกวันหน้าของเธอก็ต้องไม่แข้งเลยน้ำตา ที่ต้องลางไปเพราะความสูญเสียความรัดพากเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นออกมาเป็นรูปของความโศกความร่ำไรความรำพันความทุกข์ความเสียใจความรับแค้นใจนั้นเป็นเรื่องของอุปาทานคือจิตไปยึดถือเอาไว้โดยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อไม่เป็นไปตามที่ตัวยึดตามที่ตัวถือไว้ก็เกิดความโศกเป็นต้นขึ้นมา ดันั้นเมื่อบุคคลยังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดตัววิชาความรู้ที่จะทําลายตันหาอุปาทานออกไปจากจิตใจได้เพื่อความเกิดความแก่ความตายทางศ า, ศาสนาก็สอนเอาไว้ให้บุคคลยอมรับในแง่ของธรรมดาอย่างที่สวดกันเป็นประจำซึ่งในช่างของการสวดนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าคล้ายๆกับเราสวดได้และเข้าถึงใจ แต่ว่าการจะเข้าถึงใจหรือไม่นั้นก็ต้องพิสูจน์กันเมื่อประสบกับสภาพเหล่าเช่ น, นสวดว่าเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดามีการพลัดพรากเป็นธรรมดาเมื่อประสบกับความแก่ความเจ็บค ว, ความตายการพลัดพรากเป็นต้นปรับจิตให้ยอมรับความจริงได้ว่านี้คือธรรมดาไม่แสดงทั้งดีใจและเสียใจในความพิบัติเหล่านั้น มีเป็นการเชื่อเห็นว่าธรรมะได้เข้าถึงใจแล้วแต่กว่าจะเข้าถึงใจได้ก็ต้องคิดบ่อยๆต้องพิจารณาบ่อยๆอย่างน้อยที่สุดเมื่อประสบปัญหาขึ้นก็ทำใจได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ไปแก้ปัญหาที่ตรงนั้นเพราะการแก้ปัญหาที่ตัวทุกข์จะเป็นการสร้างปัญหาให้สลับซับซ้อนขึ้นมาและข้อที่ควรสังเกตกาหนดไว้อีกประการหนึ่ง จากนิยะแห่งทุกขสัตย์นี้คือปัจจุบันมีการเผยแพร่มีการชี้แจงให้บุคคลเข้าใจว่าคําว่าชาติที่แปลว่าความเกิดนั้นหมายถึงการเกิดเป็นเราเป็นเขาหรือการเกิดของกิเลสเท่านั้นไม่ใช่เป็นการเกิดในคันมารดาเกิดในไข่เกิดในของสปกปรกหรือเกิดโดยโอปปาธิกะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ข้อนี้พึงเข้าใจว่าหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจริงๆนั้น ทรงหมายถึงการเกิดในกำเนิดทั้งสี่คือเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสุปกปรกและเกิดโดยโอปปาธิกะอย่างที่ทรงไขความไว้ในมหาสติปฐานในสูตรซึ่งเป็นพระสูตรดักที่ใช้ในการปฏิบัติกรรมฐานในส่วนต่างๆของโลกปัจจุบันนี้ได้ทรงสแสดงไว้ว่าดูก่อนภิกษทุทั้งหลายชาติคือความเกิดเป็นอย่างไรและทรงไขความอธิบายว่า ความเกิดความเกิดพร้อมการได้อายตนะคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจครบความปรากฏแห่งขันคือเป็นนามเป็นรูปขึ้นมาของสัตว์นั้นๆในหมู่สัตว์นั้นๆอันใดอย่งวุ จ, จติพิขเวชาติดูก่อนวิษูทังหลายนี้เรากล่าวว่าความเกิดความเกิดที่เป็นพระพุทธวจนะเกิดอย่างนี้จริงๆแต่ในชั้นของการใช้ปัญญาพิจารณานั้นบุคคลก็จะเห็นได้ว่า ถ้าความเกิดหมายถึงความเกิดของกิเลสอย่างที่พูดกันคือความเกิดของกิเลสนั้นเป็นทุกข์แน่นอนแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คําอย่างนี้ถ้าความเกิดของกิเลสเป็นเป็นเป็นทุกข์ก็ลองตรวจสอบดูในทุกขศาสตร์ที่ทรงแสดงเอาไว้ชาี่ปีตุกขาชาติความเกิดเป็นทุกข์ฟังได้ชาลาปีตุกขาชาาความแก่กิเลสแก่ลงเป็นทุกข์ก็พอฟังได้ระนามปีตุ ข, ขัง ความตายเป็นทุกกิเลสตายคือกิเลสต่อไปมันเป็นทุกอย่างไรนี่คือตัวปัญหาที่จะเห็นว่าการศึกษาการทำความเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ถ้าขัดแย้งกันหลักที่ทรงชี้แจงอธิบายไปแล้วจะพบกับความขัดแย้งในโอกาสหนึ่งในฐานะอย่างหนึ่งดังนั้นเพื่อไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติธรรมะ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพานเมื่อประทับอยู่ที่อา น, านันตเจ ด, ดีย์จึงในรักษาในที่ประชุมภิกษุสงฆ์ในที่นั้นว่าในการภายภาคหน้าถ้าหากว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากล่าวอ้างว่านี่เป็นธรรมนี่เป็นบินไนนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยอ้างว่า ได้รับฟังมาจากพระองค์ก็ตามรับฟังมาจากสังฆปาโมกคือประสงค์ผู้ใหญ่ก็ตามได้รับฟังมาจากพระเทระที่มีทรงพระภูสูตรทรงธรรมทรงวินัยได้บรรลุมรรคผลก็ตามหรือฟังมาจากภิกษุที่เป็นเจ้า ว, วาดพระดัยวัดหนึ่งก็ตามอย่าพึงปฏิเสธทันทีทันใดแต่อย่าพึงยอมรับในทันทีทันใดให้เทียบเคียงดูกับพระภูสูตรและพระวินยัย ที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ถ้าลงการสมกันเหมือนกันกับที่ทรงแสดงเอาไว้ก็ยอมรับถ้าไม่ลงการไม่สมกันก็ให้ทําความรู้สึกว่าท่านผู้นี้จะมาผิดเปลี่ยนมาผิดรูปมาผิดให้สลัดทิ้งความคิดเหล่านั้นเสียและเพื่อจะหนักถึงความจริงข้อนี้ยิ่งขึ้นในประเทนที่ประนิพานนั่นเองในรับสั่งก่อนจะประนิพานว่า ดูก่อนอนนพวกเธออาจจะมีความรู้สึกว่าพระธรรมวินัยนั้นระศาสดาผู้เป็นเจ้าของธรรมวินยัยได้นิพานไปแล้วบัดนี้เราไม่มีศาสดาอีกแล้วขอพวกเธออย่าพึงคิดอย่างนั้นพระธรรมและพระวินัยใดที่ตาถาโคตรแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายพระธรรมและพระวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอเมื่อเราล่วงรับไปแล้ว นี่คือหลักพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้ในมหาปรินิพพานในสุดเพื่อจะให้พุทธบริษัทไม่เกิดความสับสนในการจะยอมรับนับถือหลักบางอย่างหรือเมื่อมีความขัดแย้งบางอย่างบังเกิดขึ้นก็ต้องมีความรู้สึกว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคยาังดำรงอยู่ในรูปของพระธรรมอวิัยคือข้อที่ทรงแสดงและบัญญัติไปมีปัญหาอะไรก็ต้องเทียบเทียงในส่วนนั้น แล้วจะไม่ใช้เวลาการศึกษาธรรมะให้ศูนย์ไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเมื่อบุคคลรู้ความทุกข์ในระดับนี้ได้ก็เป็นการขาจัดอวิชชาในส่วนนี้ลงไประดับนึ่เวลามีปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตบังเกิดขึ้นก็ปรับใจยอมรับในแง่ของธรรมดาในด้านของสมุทัยก็รู้ว่าเป็นตัวการที่ให้เกิดความทุกข์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเรารู้ว่านี่คือเหตุแ ห, แห่งความทุกข์แล้วตัณหาบางอย่างที่ยังไม่เกิดก็จะมีการสัมรวมระวังไว้ให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเพียรพยายามบรรเทาพยายามละพยายามระ ง, งับแรงผลักดันของตัณหาเหล่านั้นกระแสะแห่งตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลก็จะเบาลงไปความทุกข์ที่เกิดขึ้น แรงผลักดันของตัญหาก็จะเบาตามลงไปด้วยอย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นอิสระแก้ตนได้ชั่วครั้งชั่วคราวในยามที่ประสบปัญหาต่างๆก็จะแก้ไขกันในจุดนี้คือจะแก้ไขในส่วนที่เป็นมูลเหตุของปัญหาเหล่านั้นแม้เรื่องของความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นก็จะแก้ในจุดนี้เช่นเดียวกันในด้านของนิโรธคือความดับทุกข์ ที่จริงก็เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติตามรมรรคมีองแปดประการแต่ผลที่เกิดขึ้นจากความดับทุกข์ซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงคือดับกิเลสดับกิเลสก่อนความทุกข์จึงดับแต่ถ้าพูดว่าดับกิเลสฟังแล้วคนก็ไม่ประทับใจหรือไม่อยากดับก็พูดความดับทุกข์คนไม่ชอบความทุกข์ก็ปรารถนาที่จะดับความทุกข์ ซึ่งเวลาปฏิบัติจริงๆต้องดับที่กิเลสซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์ความทุกข์เป็นในเพียงผลทะนั้นไปดับอะไรก็ไม่ได้บุคคลก็จะเพียงพยายามที่จะสัมผัสตัวความความดับกิเลสอย่างน้อยในขณะใดในขณะหนึ่งดยการข่มไว้โดยการปิดกั้นไว้ดวยการบรรเทากิเลสที่บังเกิดขึ้นภายในใจเป็นต้นหลกักอริยมรรคทั้งแประการ เมื่อบุคคลได้ปฏิบัติไปแล้วความรู้ในฐานะนั้นๆก็จะบังเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวประชีพดวงใหญ่ก็คือสัมมาทิฏฐิที่เป็นตัวการสำคัญเพราะถ้าเริ่มในจุดนี้ได้ความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเป็นต้นก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาการปฏิบัติในองค์อรมักจะต้องมีความสมบูรณ เหมือน ก, นการเหมือนกับการขีดเส้นวงกลมเราเริ่มในจุดใดเส้นที่ลากไปจะต้องมาบรรจบกันในจุดนั้นจึงจะเป็นวงกลมชั้นใดการปฏิบัติในองค์ริมักก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นเราเริ่มโดยสมาธิิแต่จะจบสมบูรณ์ด้วยการรู้อริยสัจก็ต้องอาศัยสมาธิคือการปฏิบัติมรรคเหล่านั้นสมบูรณ์หมด ความรู้อะิรสัตร์ก็จะบังเกิดขึ้นอริยสัตร์จรึงกลายเป็นสูตรที่อำนวยประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของคนซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามมันก็อยู่ที่ตัวกรณีนั้นๆเหตุของกรณีนั้นๆผลจากการดับกรณีนั้นๆและกรรมวิธีในการดับปัญหาเหล่านั้น นั่นก็คือการเดินไปตามหลักของอริยศาสตร์ทั้ง4ี่ประการความรู้ในอดีตอนาคตและรู้ทั้งอดีตอนาคตนั่นเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นนามรูปเป็นกระบวนการธรรมชาติเช่นนี้เราจะเข้าใจได้ทันทีว่านี่คือกระบวนการถ้ากระบวนการเหล่านี้ยังมีอยู่ในอดีตก็มีอยู่ปัจจุบันก็ต้องมีอยู่อนาคตก็ต้องมีอยู่คล้ายๆกับการไหลของแม่นม้ําดังที่เคยกล่าวมาแล้ว น, น้ําจรยาไหลามากี่พันปีแล้วก็ไม่รู้มันก็ไหลยอย่างนั้นเพราะเป็นกระบวนการที่มีการเกิดสืบเนื่องกันไปเรื่อยเมื่อพันกว่าปีที่แล้วหรือหลายพันปีที่แล้วก็คงเรียกชื่ออย่างนั้นปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแแม้นาคตก็จะเรียกอย่างนั้นแท้ที่จริงทั้งหมดเป็นกระบวนการน้ําที่ไหลน้ําในอดีตได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่มีการเ ก, เกิดสืบเนื่องกันมาโดยลําดับ ชีวิตของบุคคลเราจึงมีลักษณะของปัจจัยที่ไหลสืบเนื่องกันมามม่เหมือนกับไฟที่เราจุดขึ้นในจุดนี้แล้วก็ลุกลามไปไหม้ที่บางคุณพรมซึ่งบ้ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ไฟที่เราจุดแต่เราจะต้องรับผิดชอบไฟที่ไปไหม้ที่บางขุนพรมเพราะอะไรเพราะว่าไฟที่ไปไหม้บางุพรมนั้นเป็นไฟที่สืบเนื่องไปจากไฟซึ่งเราจุดทั้งๆที่เราจุดในที่นี้เอง ดังนั้นพวกกรรมพวกวิบากต่างๆที่บุคคลได้กระทําไว้ในภพในชาติต่างๆจึงติดตามบุคคลไปเป็นลักษณะของกระ บ, บวนการเช่นเดียวกับไฟไหม้ล่างๆจาบใดที่อวิชายัางไม่ถูกทาลายกระ บ, บวนการที่จะต้องเกิดในสังสารวัตรก็ต้องมีอยู่จากนั้นดังนั้นบุคคลเมื่อเข้าใจกฎเกณฑ์เหล่านี้ มองเห็นชีวิตเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเมื่อไม่ปรารถนาที่จะให้กระบวนการเหล่านี้ดําเนินต่อไปเพราะเห็นความทรัพย์ซ้ําๆำซากซาของการดําเนินชีวิตก็จะเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อกขจัดตัวปัจจัยแห่งนามรูปก็คือวิชาตัณหาอุปาทานให้หมดไปจากจิตใจเมื่อส่วนเหล่านี้ถูกทําลายไปกรรมทั้งหมดก็ได้ชื่อว่าถูกทําลายตามไปด้วย ดังนั้นเวลาทรงแสดงผลจากการปฏิบัติในที่ต่างๆจึงมีรับสั่งไว้โดยอเน ก, กประยายเช่นเพราะทำลายวิชาจะได้ความทุกข์ทั้งปวงก็หมดสิ้นไปเป็นต้นต่อแต่นี้ไปพึงตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป